วินัยนักรรมเอกม้วนที่9โดยพระอาจารย์บุญมีจันทร์รูปโมสวัสดีครับเพื่อนสาธรรมิกทุกทุกท่านที่กำลังศึกษานักธรรมชั้นเอก <c oughs> และวันนี้เรามาเรียนในการที่สามสิบเอ็ดการที่สามสิบเอ็ดนั้นก็ว่าด้วยกิจจธิกาและวิธีระงับเรื่องด้วยนิกะหะ มติของพระการรัตนาจารย์ได้กล่าวว่ากิจอันสงจะพึงทาด้วยการประชุมสงต่างเป็นอัปโลกนกกรรมยติกรรมยติทุติยกรรมยติจตุตกรรมเรียกว่ากิจจาธิก่อส่วนมติของสมเด็จพระมหาสมาเจา้านั้นได้กล่าวว่ากิจจาธิกรออันจะเข้ากันสนิทกับกิริยาระงับนั้น เห็นว่าได้ทำแก่ภิกษุบ้างแก่กรหัตบ้างการระงับกิจจาธิกรได้แก่การถอนนิกหานนั้นในเมื่อผู้ถูกนิกหากลับประพฤติชอบแล้วและรวมความแล้วว่ากิจจาธิกรก็คือกิจที่สงจะต้องทำให้สำเร็จนะสิกิจที่สงจะต้องทำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเช่นมีการอุปสมบทกรรมเป็นต้นล้วก็มาพูดถึงหลักในการปกครอง ในทางพระวินัยได้กล่าวว่าอย่างไรหลักการปกครองหมู่ผู้ปกครองหมู่จำเป็นต้องมีหลักในการปกครองจึงจะสามารถาปกครองหมู่ให้อยู่ในระเบียบอันดีงามได้หลังปกครองอาการหลักการปกครองนั้นมีอยู่สองประการคือหนึ่งนิกขะการข่มก็คือการลงโทษผู้กระทาผิดสปักขะหะ การยกย่องเชิดชูผู้กระทำคุณงามความดีเมว่ามีภิกษุก็ดีกระหัตก็ดีประพฤติชอบแลประพฤติไม่ดีในการประพฤติไม่ดีก็ควรแก่นิกหะหะพระบรมศ า, าสดาก็ทรงประทานพุทธานุญาตให้ทรงทำนิกะหะแก่ผู้นั้นได้แต่นิกขะหะกรรมที่ให้ทำแก่ภิกษุนั้นมีอยู่หกอย่างด้วยกันคือหนึ่งตัดเฉดิยกรรม กรรมอันสงพึงทาแก่ภิกษุผู้ควรคู่หรือควรตําหนิสงอได้ทําแก่ภิกษุสองรูปชื่อว่าปันบันต ก, กะและก็ลหิตตะ ก, กะเป็นครั้งแรกภิกษุสองรูปนี้ก็อยู่ในพวกชาวพักขีและสองนิยสกรรมนิยสกรรมก็คือกรรมอันพึงทําแก่ภิกษุผู้ควรไรยศคือถอดยศ กรรมนี้สงได้ทําแก่สัยกะพิสุเป็นครั้งแรกสามประพาณิยกรรมคือกรรมอันสงจะพึงทําแก่พิกษุอันจะพึงไล่เสียอข้อนี้ก็ทรงได้ทําแก่พิกษุสองรูปคือพระอัตชิกับพระภุณภุสุกะเป็นครั้งแรกพิสุสองรูปนี้ก็ อ, อยู่ในพวกชัวพักีเหมือนกันสีปฏิสารนิยกรรม คือกรรมอันสองจะพึงทำแก่ภิกษุอันจะพึงให้กลับไปกรรมนี้ข้อนี้ก็สงได้ทาแก่สุธรรมภิกษุผู้ด่าจิตตากะหาบุดีเป็นครั้งแรกห้าอเคปัิยกรรมคือกรรมอันสองจะพึงทำแก่ภิกษุอันจะพึงยกเสียคือยกเสียจากหมู่จากพวกนั่นเองแต่สงได้ทำแต่เพราะไม่เห็นอวบัต นะ่ะสงได้ทําเพรามาเห็นอาบัติและไม่ทําคืนอาบัติได้ทําแก่พระฉันนะเป็นเอช น, นะพิสูจน์เป็นครั้งแรกเพราะว่าไม่สนธิฐิบาปและก็ได้ทําแก่อริ tha พิสูจเป็นครั้งแรกด้วยหกตัดสปาปยสิกากรรมคือกรรมอันสง์จะพึงทําแก่พิสูจนอเพราะความที่พิสูจนั้นเป็นผู้บาป สงได้ทำแก่อุปวารและภิกษุเป็นครั้งแรกวิธีทำนิกะหกรรมทั้งหกอย่างแก่ภิกษุดังที่ได้กล่าวมานั้นกรรมที่หนึ่งคือเรื่องที่หนึ่งก็คือตัดจนยกรรมเนี่ยถ้ามีภิกษุทำความทะเลวิวาสก่ออธิกรณ์ขึ้นในสงด้วยตนเองหรือยุยงภิกษุอื่นให้ทำสงเห็นสมควรจะนิกห์คือ ทำตัดชนยกรรมแก่ภิกษุนั้นก็ได้แต่วิธีทำตัดชนยกรรมนั้นท่านกล่าวไว้ว่าหนึ่งพึงจอดภิกษุนั้นขึ้นก่อนสองพึงให้เธอให้การสามพึงปรับอบัติรีภิกษุรูปหนึ่งพึงสวดประกาศสงฆ์บรรยายความนั้นและการที่สงฆ์ทำกรรมนั้นแก่เธอด้วยยติจตุตกรรม แเพียงเท่านี้เป็นอันสงธรรมกรรมนั้นแก่เตยแล้วถ้าทำต้องด้วยลักษณะกรรมอันเป็นธรรมเนี่ยนั้นก็การที่จะทําตัดชนียกรรมแก่พิสูจนอที่ก่อการตะเลวิวาสก่ออติกรณ์ขึ้นในสงเนี่ยยุโยงให้ผู้อื่นเอด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจะทํากรรมแก่พิสูจน์นั้นจะต้องโจทย์พิสูจน์ั้นขึ้นก่อนและเมื่อจทย์แล้วเธอให้การแล้วก็ ปรับอวบัดแก่เธอตามสมควรเมื่อเป็นเช่ น, นั้นก็พึงสวดในนะพิสูรรูปหนึ่งที่มีความสมราารถภาพมีความฉลาดแล้วก็สวดประกาศให้สงได้ทราบด้วยยติจตุตะกรรม อ, อก็ถือว่าเป็นอันว่าสงได้ทํากรรมแก่พิสูรนั้นด้วยตัดจัญญกรรมตำหนิโทษเธอแล้วอย่างนั้นนี้ลักษณะกรรมอันเป็นธรรมอย่างไรลักษณะันกรรมอันเป็นธรรมตามบาลีกรรมมหันตกะนั้นท่านกล่าวว่าอย่างนี้ หนึ่งทำต่อหน้าพิสูจนั้นถามก่อนแล้วจึงทำทำตามปฏิญญาสองทำเพราะต้องอาบัติและอาบัตินั้นเป็นเทสนาคามินีอย่างไม่ได้แสดงสามโจดก่อนแล้วจึงทำให้จําเลยให้การก่อนแล้วจึงทำปรับอาบัติแล้วจึงทำสี่ทำโดยทำอันสงพร้อมเพรียงกันทำกรรมทรรถูกต้องหรือถูกลักษณะอย่างนี้จึงจัดว่าเป็นธรรมเป็นวินยัย และก็สำเร็จไปด้วยดีนี่คือการทำที่เป็นการทากรรมที่เป็นธรรมและต้องทำต่อหน้าไม่ใช่ทำรับหลังทำต่อหน้าพิสูุนที่ก่อคดีหรือทำความผิดนั้นสอบสวนสอบถามแล้วแล้วก็พิสูจน้นั้นได้รับปฏิญญาถูกต้องแล้วแต่ก็ที่กล่าวว่าทำเพราะเธอต้องอาบัติแต่ถ้าไม่ไม่เป็นอาบัติจะไปทำแก่พิสูนนั้นไม่ได้ ละก็อาบัตินั้นต้องเป็นเทศนาคามินเีเคยได้กล่าวแล้วว่าเทศนาคามินีก็คืออาบัติที่สามารถแสดงได้อาบัติที่แสดงได้ก็อาบัติตั้งแต่ตัวจั่ยลงไปจนถึงอาบัติทุพาสิตนั่นคือเป็นเทศนาคามินีพ้นได้โดยการแสดงแล้วก็อาบัติที่เป็นเทศนาคาเมนีนี้ยังไม่แสดงด้วยถ้าแสดงแล้วก็เป็นอนุพงศ์อาบัติต่แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทํากรรมนี้แก่เธอเนี่ยนั่ก็การที่จะทํากรรมให้ถูกต้อง หรือเป็นธรรมนั้นก็ต้องทําในลักษณะดังที่กล่าวนี้นี้สงพึงทำตัดเฉียนกรรมแก่พิสูจผู้พร้อมในองค์สามคือหนึ่งในบาลีได้กล่าวว่าพิสูจพร้อมด้วยองค์สามสองจาลองพึงทำตัดเฉียนกรรมแก่เธอได้องค์สามนั้นกล่าวไว้เป็นสามหมวดคือหมวดที่หนึ่งเป็นผู้ทําการบาดหมางเป็นผู้ทําการทะเละะเะาะเป็นผู้ทําการมีวาสเป็นผู้ทําการอืดเฉา เป็นผู้ทำอติกรในสง์เป็นองค์อันหนึ่งเป็นพานไม่ฉลาด <S 2> <S 2> มีอาบัดมาก <S <S มีมารยาทไม่สมควรเป็นองค์อันหนึ่งเป็นผู้คุกคีด้วยข้าหัส ด, ด้วยการคุกคีอันไม่สมควรเป็นองค์อันหนึ่งสองเป็นผู้มีศีลวิบัตเป็นผู้มีอาจารวิบัตเป็นผู้มีทิฏฐิวิบัตสามกล่าวติเตียนพระพุทธกล่าวติเตียนพระธรมรมกล่าวติเตียนพระสง องสามเหล่านี้ไม่ต้องครบทางนั้นเพียงองค์ใดองค์หนึ่งก็ยกขึ้นเป็นเหตุทําตัดเนียกรรมได้ทํากรรมนั้นแก่ภิกษุเอเฉพาะรูปก็ได้พร้อมกันทั้งสามรูปในคราวเดียวกันก็ได้คือนี่เป็นเป็นข้อที่จะยกขึ้นมาทําตัดเนียกรรมแก่ภิกษุถ้าหากภิกษุได้เ อ, อทําอย่างใดอย่างหนึ่งในองสามนี้แล้วก็เ อ, อควรที่จะทําตัดเนียกรรมคือตำหนิโทษแก่เธอ แต่ว่าในปัจจุบันนั้นก็กรรมอย่างนี้ก็ไม่มีไม่มีนิยมทามกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะทำลำบากก็เลยไม่ไม่มีการทำกรรมชนิดนี้คือการตำหนิโทษก็ไม่มีใครที่จะยอมที่จะรับในการที่จะให้ตำหนิโทษเช่นนั้นก็ยังไม่ค่อยปรากฏมีแต่ว่านี่คือตามพระวินัยที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจว่าอาการทานิกหะคือการลงโทษแก่ผู้ประพฤติไม่ดี ในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าตัดเรรนื้อกำนี้มีอยู่ซึ่งสมัยครั้งพุทธกาลก็เคยได้ลงโทษแก่พิสูจมาแล้วแม้ว่าการทําเช่นนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะให้เกิดลาบและในที่สุดก็รู้สึกสํำนึกตัวก็จะได้กลับมาพุติตนเป็นผู้ดีต่อไปนี่เมื่อพิสูจถูกทํากรรมแล้ววัดที่จะต้องปฏิบัตินั้นอย่างไรตวัดของพิสูจน์ผู้ถูกสงลงตัดเนื้อกำรรนั้นท่านแสดงไว้อย่างนี้หนึง ไม่พึงให้อุปสมบทคือไม่พึงรับเป็นอวยชัยะในกรรมนั้นไม่พึงให้นิสัยไม่พึงให้สมณีอุปถาคือไม่พึงบวชสมณีไม่พึงรับสมมุติเป็นผู้สอนนางภิกษุณีไม่ได้รับส ม, มุติแล้วก็ไม่พึงสอนสองสองทปัจเีกกรรมเพราะอาบัตใดไม่พึงต้องอาบัตนั้นหรืออาบัตอื่นเช่นกัน หรือบัตรอันเลวร้ามกว่านั้นไม่พึงติกรรมนั้นไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ท okay ํากรรมนั้นสามไม่พึงห้ามอุโบสถไม่พึงห้ามอวตารนาแกประกาศตรากิกสุไม่พึงทําความมีคําไม่พึงเริ่มมนุกวานอาธิกรกรไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ทําโอกาสเพื่อโจทเธอไม่พึงโจทย์ภิกษุอื่นไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การไม่พึงช่วยภิกษุทั้งหลายให้สู้กันในอาทิกกร เอทั้งสามข้อนี้ก็เหมือนกับวัดของมนานทะจาริกะภิกษุหรือปาริวาสิกะภิกษุซึ่งเราได้ศึกษากันมาแล้วเหมือนกันแต่ว่านั้นมีสิบหมวดนะมานตะจาริกาวัดแล้วกับมนานทะจาริกะเ อ, าเอาปาริวาสิกาวัดนั้นมีสิบหมวดส่วนวัดของผู้ที่ถูกสงฆ์ทำตัดจเนยกรรมนั้นมีแค่สามสามหมวดเท่านั้นเองนะสามหมวดนั้น ก็เหมือนกับสามหมวดเบื้องต้นของปณิ ว, นวันสิตธวัมตรมานัสตาจริกรวัตรดังที่ได้กล่าวแล้วเหมือนกันทีนี้วิธีเลยคับปฏิบัติกรรมถ้าสงห็นว่าฟิกสูผู้ถูกสงลงโทษนั้นประพฤติชอบหายเย่อหญิงประพฤติแก้ตัวแล้วก็ผูร้ระงับปฏิบัติกรรมนั้นเสียแล้ววิธีระงับนั้นท่านแสดงไว้อย่างนี้ คือพิสูจนั้นพึ่งเขาอ่าพิสูุนั้นก็พึงเข้าไปหาสงฆ์ทำผ้าอุตตราสงฆ์เฉียงบาไหว้เท้าพิสูจน์คู่แกกว่านั่งกระโยงพระนมมือกล่าวคําระงับกรรมนั้นสามผลในลำดับนั้นพิสูจน์ผู้ฉลาดสามารถก็พึงสวดประกาศสงฆ์บรรยายความนั้นและการที่สงฆ์ระงับกรรมนั้นด้วยยติเจตุตกรรมเพียงเท่านี้ก็เป็นแันว่าสงฆ์ระงับกรรมนั้นแล้วพิสูจนนั้นพ้นจากกรรมนั้นแล้ว แตลักษณะอันเป็นเหตุระงับกรรมนั้นคือการประพฤติวัดอย่างเคร่งครัดเนี่คือการประพฤติวัดอย่างเคร่งครัดการประพฤติตามวัดอย่างเคร่งครัดนี่ถ้าหากว่าเห็นไม่มีการประพฤติเสียหายตั้งอยู่ในวัดของอผู้ที่เป็นปัดจัญญกรรมเนี่ยถูกต้องแล้วก็เห็นว่าถูกต้องก็ให้ระงับกรรมนั้น ไม่มีกำหนดวันจะต้องอยู่เท่านั้นวันเท่านี้วันถูกลงโทษเท่านั้นวันเท่านี้วันเหมือนกับการ อ, อยู่ประพติ ธ, ธุฐานวิธีแต่ว่าเมื่อถูกสงลงโทษแล้วก็มีการกระพฤตดีปฏิบัติชอบแก้ไขตัวดีแล้วอย่างไรไม่กำหนดวันดังที่กล่าวแล้วก็เห็นว่าพอสมควรก็ะรับกรรมนั้นให้เป็นคนพ้นจากกรรมนั้นไปส่วนนิธากกรรมข้อที่สองก็คือดีโยต ก, กรรม มิจิสกรรมนั้นท่านบอกว่าถ้ามีพิสูจนมีอวบัดมากหรือคุ้คขึกับคาหักด้วยการคุ้ยขอันไม่สมควรถูกลิก迦สงก็พึงทํานิยสกรรมแก่เธอกลับให้ถือนิสัยอีกและพิสูจนั้นไม่จะเป็นมัชชิมะคือพิสูจน์ปานกลางพ้นนิสัยแล้วก็ดีแม้เป็นพระเถระเป็นอุปชายยอาจารย์ได้แล้วก็ดีถูกสงทํากรรมนี้แล้วต้องกลับถือนิสัยใหม่อีกแม้ในสัมนา ข, ของพิสูจน์ผู้อ่อนกว่า ก็หมายความว่าผู้สูงที่มีอาบัตมากนะต้องอาบัตมากแล้วก็อาบัตมากในที่นี้ก็หมายถึงอาบัตที่เอไม่ใช่อาบัตหนะักแต่เป็นอาบัตเบามากคลุกคลีกับก๊ารหัสเช่นประตูสไลดาต ร, ร, ระกูลเกี่ยวกับปรรจงก๊าลหัสนะด้วยการให้สิ่งของเล็กน้อยเพื่อหวงังใดมากอะไรต่างๆแนี้ ติการปลูกสวนดอกไม้เพื่อคการหัดประดับดอกไม้เพื่อการหัดหรืออะไรต่ออะรเป็นการเรเป็นคนรับใช้เขาอย่างนี้นั่นก็คือการคุกคลีเรื่องการหัสอันไม่สมควรแล้วก็อนุญาตให้สองทมนิยมักกรรมคือถอดยศถอดยศคําว่ายศในที่นี้ก็หมือหมายถึงพรรษาแต่ว่ายศที่เรารู้กันโดยทั่วไปนั้นเป็นการพูดถึงยศที่มีการแต่งตั้งเช่นยศ พระครูยะเจ้าคุณยศอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องยศที่ไม่เกี่ยวกับพระวินยัยแต่ไม่ใช่ถอนยศชนิดนั้นถอนยศในพระวินัยใหม่ถึงถอดพรรษาลดพรรษาลงมาให้ถือนิสัยใหม่แม้ผู้นั้นจะเป็นผู้พ้นแล้วจากนิสยัยเป็นพะระเถระเป็นอุปชยัยยะอะไรก็แล้วแต่เมื่อมีการประพฤติไม่ดีมีการประพฤติ เป็นไปในทางเสียหายมีอบัตมากบังที่กล่าวนี้ก็ทรงอนุญาตให้สงฆ์ทำกรรมด้วยนิยฉกรรมถอดยศให้ถือดิสัยใหม่คือถือดิสัยใหม่ในวิสุทธิผู้มีปภาษาน้อยกว่านี่เป็นการถอดยศเนี่วิธีทำมิยฉากรรมนั้นท่านบอกว่าวิธีทำมิยฉากรรมวัดสําหรับประพฤติลักษณะแห่งการทำเป็นธรรมและลักษณะเป็นเหตุธรรม กับวิธีระงรับนั้นเหมือนกับการทําตัดนื้กรรมทุกประการต่างแต่เพียงกรรมวาจาอันบ ร, ริยายความไปตามเรื่องเท่านั้นเองจะหมายถึงว่าวิธีทำวันที่จะต้องปฏิบัติและก็การระงรับอะไรต่างๆเกี่ยวกับกรรมนั้นเหมือนกับตัดนื้กรรมซึ่งเป็นกรรมที่หนึ่งได้กล่าวมาแล้วนั้นเหมือนกันทุกประการทีนี้นนินกะห ก, กรรมที่สาม คือปปพาชนิยกรรมปปพาชนิยกรรมถ้ามีพิสุ ป, ปทุทสารายสกูลและก็ประพฤติลาโมกมีข่าวเสียงแท่มีข่าวมากมายสงเห็นสมควรจะนิกคหะพึงทาปปพาชนิยกรรมแก่เธอคือไล่เธอออกเสียจากวัดแต่ข้อนี้ก็มีอยู่ในสิกขาบทที่12และสิกขาบทที่13แห่งสังขารติเศษ ซึ่งในข้อนั้นได้กล่าวว่าภิกษุ ป, ประตูสลายตระกูลนี่คือการประจบกระหัสสงไล่ออกเสียจากวัดกลับปติเตียนสงภิกษุอื่นถ้าไม่ฟังสงสุดกรรมเพื่อให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังขาริเสชซึ่งในในสิขาบทที่สิบสามได้กล่าวว่าอย่างนี้ฉะนั้นภิกษุผู้ประตูสลายตระกูลอประพฤติมีการประพฤติละมุกต่างๆมีข่าวเซ็งแซ่คือเขาไม่ดี ข่าวไม่ดีอย่างนั้นข่าวไม่ดีอย่างนี้เ็ราะว่าไปอประจบข้าหัสหรืออไปเป็นคนรับใช้ข้าหัสอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมีข่าวไม่ดีในงามนั้นสมควรที่จะทําปรับภายนกรรมคืนไล่ออกเสียจากวัดไม่สมควรที่จะให้อยู่ในวัดคือให้สงแต่ว่า ปัจจุบันนั้นก็มีอํานาจในทางการในทางคณะสงฆ์ซึ่งกล่าวตามพระราชบัญญัติก็ให้อํานา จ, จเจ้าวาดเอาไว้ในการที่จะไม่ให้พิสูรูปใดรูปหนึ่งที่มีการประพฤติไม่ดีม่นามขัดคําสั่งต่างๆของจเจ้าวาดที่สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัยอให้ออกไปเสียจากวาดัดก็คือให้อํานา จ, จเจ้าวาดเอาไว้แต่ในทางพระวินัยนั้นก็ให้สงอํานาจสง่สงก็ เห็นว่าพิสูจน์นีออ้มีการประพฤติไม่ดีมีการประพฤติอันจะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียแก่หมู่คณะอย่างไรก็ทรอองผู้ชุมกันทำกรรมแต่เธอไล่เธอออกเบียจากอวาสไปและวิธีทำปราพาชฌนกรรมนั้นก็ตลอดถึงวิธีระงรับกรรมนั้นเลือนกับตัชฌนยกรรมต่างแต่สักว่ากรรมวาจาและก็เพิ่มลักษณะเป็นเหตุทํำเข้าอีกสี่หมวดคือเช่นเล่นขนองอนาจาร ลบล้างพุทธบัญญัติมิจฉาชีพอันเป็นไปในทางกายก็ดีทางวาจา ก, ก็ดีหรือทั้งสองอย่างทางก็ดี อ, อ, อันนี้ก็เป็นลักษณะเพิ่มให้ทำกรรมแก่ที่สุผู้ควรทำปรับภารกิจกรรมไว่เาเล่นคณนเล่นอนาจารลบล้างพุทธบัญญัติเนี่ยเป็นคนมิจฉาชีพหากินในทางที่ผิด ตามทนองกรองครรมของพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาก็เป็นที่รู้ว่ามิจฉาชีพนั้นแสวงหาอย่างไร <c oughs> ตามหลักแล้วก็ไ <c> ป <oughs> ที่สูในพระพุทธศาสนานั้นก็ได้ทรงแสดงชี้แจงเกี่ยวกับอนิสัยที่จะต้องอาศัยอยู่สี่ประการคือเที่ยวบินตบารุ่งผมผ้าบางสกุลอยู่คนไม่ฉันจะดองนน้าวุดเน่าตามหลักอนุศาสนั้น นั่นก็เป็นสิ่งที่จะแสวงหาได้ซึ่งถึงจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นของทอี่หาได้โดยสะดวกสบายแต่ก็อย่าให้เป็นไปในนอกสิ่งเหล่านั้นก็ถือว่าใช้ได้แต่ต้องหาว่าแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพเป็นการกระทำในมิจฉาชีพต่างๆเนี่ยเป็นการซื้อขายหรือเป็นการประกอบธุรกิจอะไรต่างๆนั่นนั่นคือเป็นมิจฉาชีพ ที่ไม่สมควรทำถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นก็ยกมาเป็นข้อในการทําประพาชเยกรรมในที่หนีได้เหมือนกันนะนี่คือกรรมที่สามส่วนกรรมที่สี่ในาการทําลิกขารก็คือปฏิสารนิยกรรมปฏิสารนิยกรรมก็ <c oughs> กรรมที่ควรทําแก่พิสุให้ควรทะลึกหรืให้กลับลึก พิฆาตมีพิสุปาก้ายด่าว่ากระหับผู้มีสันทาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นทายกอุปถากสง้วยปัจจัยสี่เป็นทางอันยังคนผู้ยังไม่เลื่อมใสมีให้เกิดความเลื่อมใสจะยังคนผู้เลื่อมใสอยู่แล้วให้เป็นอย่างอื่นไปเสียสงวนสงวจนจาริกะะก็พึงทำกรรมชื่อนี้แก่พิสุนั้นได้บังคับเธอให้ไปขอขอมาเขาก็หมายความว่า แต่มเมื่อมีคัสจะเป็นทายกบาศกอวบาสิกาที่มีสถานเรื่อมใสในพระาศาสนาเนี่ยเขาบำรุงด้วยปัจจัยสี่นะจีวรวิธาบาเศเสนาสนะที่เอ้ากีานาเพศัตย์เนี่ยยังดีต่อภิสุแต่ภิสุเกิดความขัดใจไม่พอใจไปด่าเขาด้วยประการต่างๆอย่างนี้เนี่ยก็จึงอนุญาตให้ทำกรรมแก่ภิสุนั้นได้เพราะว่า คณ า, าหัสนั้นมีแต่ให้การอุปถรัรมภ์อย่างดีแต่ไปด่าไปว่าเขาให้เสียหายก็พระพุทธองค์ท่านก็ให้ลงโทษแก่ผิ้สุเช่นนั้นได้บังคับให้ไปขอขมานวิธีทำนั้นทําอย่างไรแต่ ว, วิธีทำปฏิสาเนียกรรมวิธีรรมก็เหมือนกับกรรมอื่นเหมือ น, เ, นเหมือนกับกรรมอื่นก็คือเหมือนกับปัดเนียกรรมเหมือนกับนิยตกรรมเหมือนกับปรับภาชนิยกรรมนั่นเองวิธีทำเหมือนกัน ต่างแต่ว่ากรรมวจ่าสวดนั้นต่างกันและถ้าหากว่าภิกษุนั้นไม่อาจไปตามลําพังคือไม่อาจไปขอกามาได้ตามลําพังก็ให้สมมุติภิกษุรูปหนึ่งเป็นอนุทูตไปด้วยวิธีสมมุติอนุทูตนั้นก็พึงขอภิกษุนั้นให้รับก่อนแล้วก็ประกาศส่งด้วยยติธุติยกรรมหน้าที่แห่งอนุทูตนั้นก็คือเมื่อภิกษุนั้นขอขมาตามลําพังไม่ได้ไม่สําเร็จ ก็ช่วยพูดเป็นส่วนตัวหรือว่าในนามของสงฆ์เมื่อตกลงกันแล้วก็รับอาบัติอันเธ อ, อแสดงต่อหน้าเขาแล้วก็จึงให้ขมาอันนี้ก็คือว่าให้ขมาต่อผู้ที่เป็นคาราหัดก็เป็นผพิจารณาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายอยู่เหมือนกันตอนไปขอขมาต่อคาราหั์ไม่กล้าไปก็มีพิสุให้เป็นเพื่อนเป็นอนุทูตไปช่วยพูดช่วยอะไรด้วยในส่วนตัวของพิสุนั้น หรือเป็นส่วนของฝ่ายสงด้วยให้เห็นแก่สงให้เห็นแก่ศ า, าสนาอย่างไรเสร็จแล้วก็รับอวบัดที่แสดงต่อหน้าเขาแล้วก็ให้ขอขอมาเขาแต่ขอขอมาต่อขารหัอนสอลักษณะเป็นเหตุให้ทําปฏิสาลิกกรรมในบาลีกรรมะขันธ ะ, ะนั้นได้กล่าวไว้ว่าคือกล่าวไว้สองหมวดหมวดละห้าหมวดที่หนึ่งก็คือหนึ่งค้นขวายเพื่อไม่ใช่ลาภแห่งคารหัส สองขวนขวายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แห่งคาราัสสามขวนขวายเพื่ออยู่ไม่ได้แห่งคาราัสสี่ด่าว่าเปรียบเลยเขาห้ายุโยงให้เขาแตกจากกันในหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองก็คือติเตียนผูนะ้พูดติเตียนพระพุทธแก่คาราฮัพผู้ติเตียนก็ทําแก่คาราฮัตผู้ติเตียนพระสงฆ์แก่คาราฮัตสี่พูดกดพูดข่มเขาห่ายังความ เอรับอันเป็นธรรมแก่เขาแล้วถ้าไม่คลาดจากคือถ้าไม่คลาดจากความจริงลักษณะอื่นวัดและวิธีระลับก็เหมือนกับกรรมอื่นเหมือนกันนี่ก็ถ้าพิสูจน์ไปไปว่าคารหัดในลักษณะดังที่ได้กล่าววันนี้คือควนขวายเพื่อไม่ให้การหัดนั้นได้ลาบกวนขวายเพื่อไม่ให้เขาได้รับประโยชน์เกี่ยวกับประโยชน์ต่างๆของเขาหรือว่ากวนขวาย เ, เพื่อให้เขาอยู่ไม่ได้เรียกว่าไล่ให้เขาไปไม่ให้อยู่ได้ไม่ไม่อยู่ใกล้หรือไม่อยู่ในที่เขาอยู่อย่างนี้หรือด่าเปรียบเลยเขาด้วยประการต่างๆในทางเสียหายนะและก็ยุยงให้เขาแตกจากกาันแม้แต่เขานับถือพระพุทธระธรรมพระสงฆ์ก็ไปพูดติเตียนที่เขานับถือพระพุทธระธรรมพระสงฆ์อย่างนั้นอย่างนี้พูดกด พ, พูดกดพูดคมเขาด้วยประการต่างๆหรือบางทีแม้นับคําอันเป็นธรรมแล้ว เออแต่ก็ไม่ปฏิบัติตามเนี่ยถ้ายัางนี้แล้วนั่นคือให้สงทมปฏิสารนิยกรรม <c oughs> ให้ประรมปฏิสารนิยกรรมเรียกว่าให้กลับระลึกว่าตนทรรมอย่างนั้นไม่ถูกต้องเป็นการทาที่ผิดไม่ควรอย่างไรให้ไปขอขมาผู้ที่เป็นฆาตมน้นทีนี้นิหกรรมที่ห้านิฆากรรมที่หารร้าก็คือโอเคปนิยกรรม อุ okay, เบกามเป็นการกระทําแก่พิสุที่ควรยกออกเสียจากหมู่ท่านบอกเ่าว่าถ้ามีพิสุต้องอาบัตแล้วไม่ยอมรับว่าเป็นอาบัตเรียกว่าไม่เห็นอาบัตหรือไม่ทําคืนอาบัตหรือมีทิฏฐิบาปไม่ยอมสลัเป็นทางเสียสินสามัญญตาหรือมีทิฏฐิสามัญญตาสงห็นสงควรจานิกะหะก็พึงทําอุเขเียกรรมนั้นอสามสถาน ในเพราะสถานใดสถานหนึ่งคือในเพราะไม่เห็นอาบัตก็ได้หรือในเพราะไม่ทําคืนอาบัตก็ได้หรือในเพราะไม่สลัดทิฏฐิบาปแก่เธอก็ได้ตามเรื่องที่เอเอตามเรื่องของเธอที่ยกเอเธอออกเสียจากการสมโพกคือยกเสียเอเสียจากทรงจะเห็นว่าผู้สูนั้นต้องอาบัตไม่ยอมรับหรือว่ายอมรับแต่ไม่ยอมทําคืนและก็มีทิฏฐิละโมกต่างๆเนี่ย ให้ทําอุเกพฤตกรรมยกเสียจากพวกไม่ให้คบกับสง์ไม่ร่วมบวชไม่ร่วมสังกัรรมทั้งสิน้นนะ่ะเป็นการยกออกเสียเพื่อจะได้รู้สึกสํำนึกตนว่าสงไม่ต้องการในการที่มีการกระพริอย่างนั้นอย่างไรนี้วิธีทําอุเกพฤกรรมวิธีทําก็และลักษณะแห่งกรรมก็ไปไปเหมือนกับที่กรรมที่ได้กล่าวมาแล้วนะ่ะเหมือนกับหรือว่าเหมือนกับตัณฑกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นเองอันนี้ อาวัตของพิสูุผู้ถูกสงฆ์อโอเคปฏิญกรรมก็เหมือนกับวัดของพิสูผู้ถูกสงฆ์ลงตัทยกรรมนสามหมวดแต่ว่าได้มีเพิ่มขึ้นมาอีกห้าหมวดรวมเป็นแปดหมวดอาวัตอที่เพิ่มขึ้นมาอีกห้าหมวดนั้นก็ก็มีไม่พึงยินดีการกราบไหว้การยินครับการทำอัญเชลีการทำสามิจิกรรมการนำอาสนะมาให้ การนำที่นอนมาให้การนำน้ำล้างเท้ามาให้การตั้งออรองเท้าให้การตั้งกระเบื่องเช็ดเท้าให้การรับบาชีวรการถูหลังให้ในเมื่อเวลาอาบน้ำหมวดนี้ท่านแยกเป็นสองหมวดแต่ว่าเกินอยู่ข้อหนึ่งในหมวดหลงังอีกก็คือไม่พึงกาจัดพิสุปต ะ, ะตะด้วยศีลวิบตัติด้วยอาจาระวิบตัติด้วยพิธิวิบตัติและ ด้วยอาชีวะอิบัติไม่พึงเรียงภิกษุให้แตกกันอีกข้อหนึ่งไม่พึงทรงอทองแห่งกระหัตคือไม่พึงทรงทองแห่งเดรถถัจฉีทั้งสองนิ้วไม่พึงลุ่งห่มอย่างเขาไม่พึงครบเดรัจฉีไม่พึงครบพวกภิกษุพึงศึกษาสิกขาแห่งภิกษุ อีกข้อหนึ่งก็คือไม่พึงอยู่ในอาวาตก็ดีในอนนาวาตก็ดีในอาวาสหรือในอนนาวาตก็ดีมีเครื่องมืออันเดียวกันกับปกกตะเห็นพิสูปปากตะแล้วพึงลุกจากอาสนะไม่พึงลุกลานคือไล่พิสูปปกตะิจากข้างในก็ดีจากข้างนอกก็ดีแห่งพระวิหารอลักษณะเครื่องทีระงับกรรมนั้นก็เหมือนก่บกรรมอื่นที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่สักว่ากรมวาจาพิสูผู้ถูกสงลงถึงในกรรมนี้ วิสูนั้นชื่อว่าอุกิตตะโกแปลว่าผู้อันสองยกเสียแล้วนี่ยโนสองยกเสียแล้วไม่ได้เพื่อร่วมสมโภกเพื่อจะเข้าสังวาสและเพื่อจะอยู่ร่วมด้วยวิสูทั้งหลายหมายกาว่าถูกตัดสิทชั่วคราวนี่ก็คือกรรมที่อที่ห้าเป็นอุเคปนิยกรรมการทําทแก่วิสูผู้ไม่เห็นนามบัตไม่ทําคือ น, นาบัตแล้วก็ไม่มีอ้ไม่สละทิฏฐิบาป กับเวลาของเราก็ได้สิ้นสุดยุติลงแล้วเราก็จะได้ศึกษาต่อในโอกาสต่อไปสําหรับวันนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด็เพื่อนสาธรรมิกทุกๆท่านเทอรสวัสดีครับเพื่อนสาธรรมิกทุกๆท่านที่กําลังศึกษาธรรมชั้นเอกในวันนี้เราก็มาศึกษ า, าวิชาพระวินัยต่อทั้งที่แล้วคราวที่แล้วเราก็ได้ศึกษา เกี่ยวกับการที่สามสิบเอ็ดซึ่งว่าด้วยนิกห ะ, ะการที่สามสิบเอ็นี้ว่าด้วยนิกหะกรรมก็ได้ศึกษามาถึงนิกหะกรรมข้อที่ห้าข้อที่ห้านิกหะกรรมข้อที่ห้านั้นก็ได้พูดถึงการทําอุเคปัญญกรรมนันวันนี้เราก็มาศึกษาต่อในข้อที่6คือปัดสป่าพิยสิกะกรรม แต่ตาจารย์วิทยากรรนั้นท่านบอกว่าพึงทําแก่พสิสุผู้เป็นจําเลยในอนุวาถาที่ก่อนถูกสักถึงอาบัติในถ้ำกลางสงให้การกลับไปกลับมาปฏิเสธแล้วก็กลับปฏิญญาปฏิญญาแล้วกลับปฏิเสธพูดถลักถไลเพื่อกลบเกลือนข้อที่ถูกสักพูดมุสาซึ่งหน้าเป็นการเพิ่มโทษอีกส่วนหนึ่งถ้ามีพิสุเป็นอย่างนั้น สงเห็นสมควรจะเพิ่มโทษขึ้นอีกส่วนหนึ่งจากอาบัติที่ต้องก็พึงทําตัดสปาวิเศษ ก, กรรมแกิดเธอวิธีทําตัดสปาวิเศษ ก, กรรมนั้นก็ตลอดถึงลักษณะแห่งกรรมอันเป็นธรรมก็เหมือนกับตัดจัญญกรรมต่างแต่กรรมวาจาซึ่งจะต้องออดัดแปลงให้เป็นไปตามเรื่องของกรรมนั้นๆเท่านั้นเองวัดแห่งที่สูผู้ถูกสงลงตัดจัญญกรรมนั้น อลงองเออแก่พิสุผู้ถูกสงทำตัดสภาววิศากรรมนั้นต้องประพฤติวัดเหมือนกับพิสุถูกผู้ถูกสงลงปัดธนิยกรรมทุกประการเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันทุกประการทีนี้เราก็ม า, าศึกษาต่อในข้อเกี่ยวกับการความบาตรในการหงายบาแต่เพื่อทํำนิกนาย ก, กรรมแก่คาะหัสทรง อ, อนุญาตให้สงทํากรรม แก่กัหัสนั้นเรียกกันว่าความบาสนะคือไม่คบด้วยไม่รับพยาธรรมด้วยแก่กัลหัสนะถ้ามีคัหัสนัได้ประพฤติในทางที่จะทําให้เกิดความเสื่อมเสียแก่พระนักตรายแก่พระพุทธศาสนาแก่พิสุทธ์ทั้งหลายนั้นก็ส่งอริยะให้พิสุทธ์ั้งหลายความบาสนะคาว่าความบาสก็หมายถึงการเ อ, อไม่รับพยาธรรมไม่คบด้วย กับขารหัสผู้นั้นนั่นเองก็เรียกว่าความบาศไม่ได้หมายความว่าขาหัสนั้นความบาศไม่ให้ปิสุรับพยาธานไม่ได้อย่างนั้นปิสุนั้นความบาศไม่รับพยาธานไม่คบด้วยไม่รับนิมนต์ต่างๆแก่ารหัสเหล่านั้นที่ให้ร้ายแก่ศาสนาอย่างไรทีนี้โทษแปดประการที่จะทําให้ถูกความบาศของขาหัสนั้นอย่างท่านกล่าวอย่างนี้ อุบาสกอุบาสิกาหรือคณะผู้ประกอบด้วยโทษแปดประการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคือหนึ่งขวนขวายเพื่อไม่ใช่ลาภแห่งพิสุท์ทั้งหลายสองขวนขวายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แห่งพิสุทั้งหลายสามขวนขวายเพื่ออยู่ไม่ได้แห่งพิสุท์ทั้งหลายสี่ด่าว่าเปรียบเลยพิสุทธิ์ทั้งหลายห้ายุยงให้พิสุทั้งหลายแตกจากกันหกกล่าวติเตียนพระพุทธ เกล่าวติเตียนพระธรรมแปดกล่าวติเตียนพระสงฆ์ถ้าการหัสด้วนยะได้ทําสิ่งที่กล่าวแปดประการนี้แล้วให้ทําการคว่ำบาตรแก่กระหัสเหล่านั้นได้และก็ไม่ไม่จําเป็นต้องต้องทําทรบทั้งแปดประการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ถือเป็นเหตุทําการคว่ำบาตรแก่กระหัสนั้นได้เหมือนกัน เอาวิธีความบาทาเมื่อจะทำกรรมนี้สองพึงประชุมกันภิกษุรูปหนึ่งพึงประกาศสองบรรยายถึงโทษของเขาและการที่สงความบาทแก่เขาด้วยยติทุติยกรรมวาจาตั้งแต่นั้นห้ามไม่ให้ภิกษุทั้งหลายครบด้วยคือไม่รับบินทบาตไม่รับมีมนไม่รับธยธรรมของเขาการละเมิดขอ้อนี้ท่านก็ไม่ได้วางโทษไว้อย่างไร นี่คือคือวิธีลงโทษผู้ที่เป็นคารหัดถ้าหากว่าเราจะลงโทษในปัจจุบั น, นี่จะได้หรือไม่ถ้าจะถามอย่างนี้ก็ค่อนข้างก็ทําได้แต่ว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันเพราะว่า เ, เมื่อไปลงโทษไม่รับพิธยธรรมไม่รับอายบางคนเกิดความเ จ, จ๊ใจนะเกิดความเจ๊งใจแล้วก็ไม่นับถือศาสนาหันไปนับถือศาสนาอื่นก็มีไปก็มีเยอะแยะ แต่ว่าครัพุทธการซึ่งสมัยที่พระพุทธองค์ท่านทรงประชนชีพอยู่นั้นก็พระพุทธศาสนาส่วนมากก็คนก็นับถือกันทั้งนั้นเลยถ้าลงโทษอย่างนี้ก็เป็นที่อับอายขายหน้าคนอื่นเขาฉะนั้นก็ต้องพยายามที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองเมื่อถูกลงโทษแล้วอย่างไรนั่นการที่จะทํานั้นท่านอกว่าก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบพอควรแค่ไหนไม่ควรแค่ไหนอย่างไรและทีนี้เมื่อข้อาขหาที่ถูก ลองโทษด้วยการความบาดรไม่รับเบญทบาทไม่รับนิมนต์ไม่รับพยาธรรมเหล่าเนี้เกิดมีความรู้สึกสำนึกตัวขึ้นมาในการที่จะอประพฤติตนปฏิบัติตัวดีขึ้นเนี่ยก็ทรงอนุญาตให้ทําการไถ่บาตรแก่คณะนั้นได้วิธีไถ่บาตรถ้าผู้ถูกความบาตนั้นละโทษนั้นเสียแล้วกลับประพฤติตนเป็นคนดีแล้วทรงก็พึงระงับกรรมนั้นด้วยการว่างไถ่บาตรเนี่ย ก็พึงทำอย่างนี้ผู้นั้นก็พึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าห่มเฉวียงบาว่ายท้าภิสุทั้งหลายนั่งกระยงประนมมือกล่าวคำของการไงบาทพิษุรูปหนึ่งก็พึงประกาศสงฆ์เพื่อไหนบาทให้แก่เขาด้วยยติทุติยกรรมกรรมนี้สงฆ์ได้ทำแก่เจ้ า, าวัดพรัชวนะีผู้อันภิสุเมติยะและภูมิจักกะเนี่ยเสียมสอนให้ใส่ความพระพพระมรุบุตร ว่าทำจู้กับภรรยาของตนเป็นเป็นครั้งแรกหรือเป็นคนแรก เ, เกี่ยวกับการไงบาทนี้ดนั้นก็ไงบาทกับคว่มบาทมันก็เป็นของคู่กันถ้ามีการคว่ำก็ต้องมีคันไงแต่ก็การไงนั้นก็เป็นการ เ, าเพื่อเห็นเมื่อเห็นว่าผู้นั้นคัหัดผู้นั้นมีความประพฤติดีปฏิบัติดีต่อพระพุทธศาสนาแล้วอย่างไรก็ให้ไงบาทแล้วก็รับพยธรรม รับนิมนแก่เอต่อผู้ที่เป็นการหัดนั้นได้ต่อไปทีนี้การทํากรรมนั้นท่านบอกว่าต้องต้องมีคุณธรรมในการทํากรรมอยู่สามประการด้วยกันทำสามประการที่เกี่ยวกับสงที่จะต้องทํากรรมสงจะทํานิกากรรมแก่พิสุก็ดีแก่การหัดก็ดีด้วยการทํากรรมเหล่านี้หรือด้วยอาณาสง์ เทียมกรรมเหล่านี้ก็ตึงตั้งอยู่ในธรรมสามประการนะการที่จะทํากรรมเหล่านี้คำว่า ก, กรรมเหล่านี้ก็คือกรรมหกสถานที่ทําแก่ฟิกษุและก็อีกหนึ่งสถานที่ทําแก่กัษณะได้แก่การความบาปตันจะต้องมีคุณธรรมในการทํากรรมเหล่านั้นคุณธรรมที่ว่าตั้งอยู่ในธรรมสามประการนั้นก็คือหนึ่งมัตสัญญาตาความเป็นผู้รู้จักประมาณสองการลัมญตตาความเป็นผู้รู้จักการ 3. บุคลัญยุตาความเป็นผู้รู้จักบุคคลสามประการนี้แหละเป็นเป็นข้อธรรมที่สำคัญมากสำหรับเพื่อนศาสตาธรรมอกที่กำลังศึกษาอยู่เกี่ยวกับพระวินัยในในใ น, ในการนี้ก็การที่จะทำนิยห ก, กรรมแก่พิสูจนแก่กระหัสนั้นน่าควรจะตั้งอยู่ในคุณธรรมอะไรนี่เป็นสิ่งสำคัญและก็คือสามประการนี้สคัญ ก็ต้องรู้ว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณควรจะทำหรืออย่างไรควรจะทามากทำน้อยอย่างไรรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักเวลาด้วยนี่ยแล้วก็รู้จักบุคคลผู้ที่จะทํากรรมผู้ถูกทํากรรมนั้นอย่างไรถ้าพิจารณารอบครอบแล้วก็จึงทาไม่พึงใช้อำนาจที่ประทานไวน้นี้เป็นทางนามาสื่ความแตกแยกแตกสามัคคีกัน บางทีถ้าเราไม่พิจารณาให้รอบครอบไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักการรู้จักบุคคลแล้วทำกรรมนั้นลงไ ป, ก, จจป ก, ก, ก, ก็อาจจะเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกอาจเป็นเหตุให้เกิดความแตกสามพีซึ่งก็เคยมีมาแล้วที่พิสุชาวเมืองโกสามพีแอบคือพระธรรมทอนกับพระวินัยทอนที่ได้ทํากรรมซึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยให้เกิดเรื่องใหญ่และเป็นเกิดเรื่องอื้อฉาวจนเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสเสด็จไปจำพรรษาอยู่ที่ ปลาเรีนรยนลายกานะปลาเรีรยายกะซึ่งได้กล่าวไว้ในโคสัมพิกาคันธากาะ่าเพราะว่าสัมพิกาคันตกะนั้นอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอุตหรหนสอนใจให้เราผู้ที่เป็นผู้จะทํากรรมแก่ผู้ใดนั้นจะต้องรู้จักมีคุณธรรมหรือมีธรรมะในการที่จะทํากรรมแก่ผู้ใดว่าอย่างไรแต่เห็นว่าเป็นไปเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดความสัมคีให้เกิดความปลองดองเป็นอันดีแล้วก็ เราก็ทกํากรรมนั้นตามสมควรนะ่ะก็จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไรและทีนี้เราก็มาศึกษาในการที่สามสิบสองต่อไปการที่สามสิบสองนั้นก็คือว่าในเรื่องสังขเพศและสังขะสามคัคคีสังขเภศคืออะไรสังขเพศนี่ท่านแปลว่าความแตกแห่งสงส่วนสังขะสามัคคีก็แปลว่าความพร้อมเพรียงแห่งสงโทษแห่งสังขเภศ ถ้าผู้ใดทำลายสงผู้พร้อมเพียงกันท่านว่าผู้นั้นทาบาปหนะักฐานอนันตานิยกรรมจกตกนรกชั่วกับชั่วกันส่วนผลแห่งความสามัคคีนั้นมีคำในพระปฏิโมกได้กล่าวว่าสงพร้อมเพียงกันรองดองกันไม่วิวาดกันมีอุเทศเดียวกันคือฟังพระปฏิโมกร่วมกันย่อมอยู่ผาสกดังนี้ ไม่เพียงเท่านั้นความสามัคคีแห่งสงย่อมเป็นไปนะเป็นไปแห่งความตั้งมั่นและความยั่งยืนแห่งพระศาสนาของเราด้วยนี่คือผลแห่งการสามัคคีส่วนผลแห่งเ อ, อสังกเภธหรือความแตกแยกนั้นก็ตรงกันข้ามก็คือว่าจะตกนรกชั่วกับชั่วกันเป็นอนันตรยกรรมแล้วผู้ที่ทําสังกเภทได้และไม่ได้นั้นอย่างไร ท่านกล่าวว่าภิกษุณีก็ดีปิขาม า, าก็ดีสัมมเนเนก็ดีสมมารีก็ดีอุบาสกก็ดีอุบาสิกาก็ดีทำลายส่งให้แอบทาลายส่งไม่ได้ได้แต่เพียงขวนขวายเพื่อจะทำเท่านั้นเองนะภิกษุณีก็เป็นที่รู้กันแล้วว่าคือใครก็คือพระผู้หญิงแหละที่บวชนุ่งเหลืองผมเหลืองโกนผมลงโนวดเหมือนกันถือศีลสามอยสิบเอ ในสมัยครั้งพุทธกาลแต่ปัจจุบันไม่มีถึงจะมีใครจะอบวชขึ้นมานั้นก็ก็ไม่ใช่พิสุนีแท้จริงเพราะพิสุนีแท้จริงนั้นจะต้องออบวชในสงสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพิกษุณีสงกับฝ่ายพิสุสงด้วยส่วนสิกขามนานานั้นก็ได้แก่สมณีรีที่มีอายุครบสิบแปดนะยังอีกสองปีจะอุปสมบทเป็นพิสุณีก็จะต้องรักษาสิ้นหกโดยเคร่งครัดไม่ให้ขาด สองปีที่เรียกว่าศิขามานาส ม, มาเณรีเอ่อส ม, มเณรก็คือสมเณรสมเณรีก็คือมมเนมมเ น, ออเนผู้หญิงก็มีการรักษาศีลเหมือนกับส ม, มเณรผู้ชายเหมือนกันบาสกุบาศิกานี่พวกเหล่านี้นั้นไม่สามารถที่จะทําลายสงให้แตกกันได้แต่เป็นแต่เพียงการขวนขวายเท่านั้นเองนะพิกษุพวกเดียวเป็นผู้อาจทำลายสง พิสูจน์พวกเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้อาจทาลายทรงให้แตกกันแต่ต้องประกอบด้วยองค์สามคือหนึ่งเป็นพิสูจปัจจัตตาสองเป็นสมานะสังวาสามอยู่ในสีหมาเดียวกันคืออยู่ร่วมกันเนี่ยพยิสูจที่สามารถทําลายทรงให้แตกกันได้เป็นพิสษุปกติไม่ใช่ถูกสงโลขเขียกรรมเป็นสมานะสังวาคือมีสังวาสเสมอกันและก็อยู่ในวัดเดียวกันสี LY มาเดียวกันเนี่ยพวกนี้อาจทาลายทรงให้แตกกันได้ อทางที่สงจะแตกกันนั้นมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งมีความเห็นปราลบพระธรรมวินัยแยแครกันจนเกิดวิวาธาทิกรกันคือสองความประพฤติไม่สม่ำเสมอกันยิ่งย่อนกว่ากันเกิดรังเกียจกันขึ้ น, นเนี่ยจะเป็นเหตุให้เกิดการแตกสามพันธีมีความประพฤติไม่เหมือนกันมีความเห็นแตกแยกกันความเห็นไม่เหมือนกันเนี่ย นะก็เป็นเหตุให้เกิดการแตกแยกแตกสมคธิกันก็มีอยู่ทั่วตัวไปที่ไม่ว่าวัดไหนกันแล้วแต่ถ้าหากว่าภิกษุสงฆ์ที่อยู่ร่วมกันนั้นมีการประพฤติในทางพระธรรมวินัยที่ยิ่งที่หย่อนกว่ากันนะก็จะเป็นเหตุให้เกิดความรังเกียจกันเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทเกิดอิวาทพาธิกรกันขึ้นมา มีความเห็นอย่างนั้นและก็มีความประพฤติไม่สม่ำเสมอกันต่างๆเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดสังคเพสได้สังคเพศความแตกแข่งสงเนี่ยทรงบัญญตัติอุโบสถปวารณาเ อ, อสังฆกรรมและกรรมน้อยใหญ่เหล่าอื่นอันเดียวกันให้ทําในศีมาแห่งเดียวกันแต่ทั้งที่สุทั้งหลายทําความเป็นก็คุมกันเป็นเหล่าแยกการทําโบสถทําปวารณาสังฆกรรม เป็นสองฝ่ายขึ้นไปฝ่ายละสีร่รูปหรือมากกว่านั้นในภายในแห่งซีมาอย่างนี้ก็จะเป็นสังกเภทคือสงแตกกันแล้วเนะีหมายความว่าสงในวัดนั้ น, นแตกแยกกันจนกระทั่งว่าไม่ทำโมโสดไม่ทำํำสังฆกรรมอย่างอื่นร่วมกันแยกกันทํานะีตั้งเป็นสี่รูปขึ้นไปฝ่ายละสี่รูปขึ้นไปแล้วนั้นคือเป็นเป็นสังกเภศแตกกันแล้วเนะีเป็นสังกเภศแตกกันแล้วถ้ายังไม่ถึงนั้นก็ ยังไม่จัดเป็นสังกเภสเป็นแต่เพียงการทําความเล่ารานแห่งสงเท่านั้นเองนะเรียกอีกในหนึ่งเรียกว่าสังฆราชีสังฆราชีก็คือความเล่ารานแห่งสง์ความเล่ารานแห่สงสงในท่านแสดงไว้ดังนี้นะหนึ่งพิสุสองพวกพวกหนึ่งมีจํานวนครบเป็นสงคือสี่รูปพวกหนึ่งไม่ครบพริสุยุยงให้แตกจากกาันไม่จัดเป็นสังกเภสจัดเป็นสังฆราชี คือความราวรานแห่งสงสองพิสูจสองพวกต่างมีจำนวนครบเป็นสง์ทั้งสองฝ่ายพิสุยุโยงให้แตกกันทั้งสองฝายนั้นยังไม่แยก ร, รมโมสดปวดารณาและสังฆกรรมอื่นๆยังไม่จัดเป็นสังฆเภทจัดเป็นสังฆราชีคือความร้าวรานแห่งสงสามทรงบัญยัติวัดต่างๆไวอันพิสูจทั้งหลาย จัดพึงประพฤติปฏิบัติแก่กันพิสูจเหล่านั้นวดเสียยังไม่จัดเป็นสังกเภทจัดเป็นสังฆราชีคือความเลวรานแห่งทรงนั้นเอการที่จะทําให้พิสูจทั้งหลายเกิดการทะเลาะวิวาทกันอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าอฝ่ายหนึ่งครบฝ่ายหนึ่งไม่ครบก็ยังไม่จัดเป็นสังกเภทคําว่าฝ่ายหนึ่งครบก็คือสี่รูปฝ่ายหนึ่งไม่ถึงสี่รูปนี่ให้แยกกัน แยกกันไปก็ยังไม่จัดเป็นอสังกเภศเป็นแต่เพียงเล้ารานนะหรือว่าทั้งสองฝ่ายมีจํานวนเท่กากันคือสี่รูปเหมือนกันแยกกันแต่ยังไม่แยกทาโบสดก็ยังไม่เป็นสังกัดเพศพอเมื่อแยกทำโบสดแล้วนั่นแหละจึงจะเป็นสังกัเภศนะทีนี้อาการที่สจะแตกกันนมีอย่างไรบ้างอาการที่สงจะแตกนนา ก, าแตกันตามบาลีคัมภีบริวาร น, นั้นท่านกล่าวไว้ห้าอย่างคือหนึ่งด้วยกรรมได้แก่การทําสังข์กรรม สอด้วยอุเทศได้แก่การสวจปฏิโมกสามด้วยการกล่าวอุหานได้แก่การตั้งยติสี่ด้วยอนุสาวรนาได้แก่การประกาศด้วยกรรมวจจาห้าด้วยการจับสลากได้แก่การลงคะแนนชี้ขาด น, นีอันนี้ก็เป็นอการที่สงเกแตกกันก็ได้กล่าวไว้ห้าอย่างนี้แต่การสังขกรรมก็เป็นเหตุให้เกิดการเถียงกันทะเลาะ ก, กันแล้วก็แยกแตกจากกันได้ หรือการสวดปฏิโมกข์ที่จริงสวดปฏิโมกข์นั้นเป็นไปเพื่อความสามคัคคีแต่ก็สิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสามัคคีกอ็อาจจะเป็นเหตุให้เกิดการากล่าวในทางที่ตรงกันข้ามให้แตกแยกสามัคคีได้เหมือนกันนะด้วยการตั้งยติด้วยการาส่วนกรรมวาจาอาจจะเห็นไม่ตรงกันก็เป็นเหตุให้แตกแยกกันได้ด้วยการลงคะแนนชี้ขาดเมื่อมีเรื่องราวต่างๆ ก็ฝ่ายที่มายอมรับก็เป็นเหตุได้เกิดกรารทะเลาะวิวาทได้เหมือนกันนั้นก็อันนี้ก็เป็นเหตุได้แตกกันได้ตามที่กล่าวไว้ในบาลีในเรื่องที่สงแตกกันอันมีมาแล้วในครั้งพุทธกาลและก็ภายหลังพุทธกาลพุทธปรินิพานเป็นเรื่องใหญ่ที่มีอยู่ในครั้งนั้นก็อพอสรุปเรื่องที่เคยเกิดมาแล้วดังนี้หนึ่งครั้งพุทธกาลเรื่องพระเทวทัศน์กับ ภิกษุผู้เข้าเป็นพวกนี่ได้แตกแยกจากคณะภาษาสดาไปตั้งคณะใหม่นี่ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งได้กล่าวว่าคราวหนึ่งพระเทวทัตเนี่ยได้เข้าไปกราบทูลออขอวัตถุห้าประการคต่คณะภาษาสดาไม่ส่งรับก็จึงแยกจากคณะภาษาสดาไปตั้งคณะขึ้นมาใหม่อันนี้หมายพูดถึงคราวหนึ่งที่จริงพระเทวทัตเนี่ได้พยายามหลายครั้งหลายคราวหลายหนทีเดียว ในอันที่จะกำจัดในอันที่จะทำลายพระศาสดาของเราอา่แม้จะ ก, กลิ้งหินก็ดีอแล้วก็ไปยุโยงให้พระเจ้าอิจฉาศัตรูได้ปล่อยช้างนาลาคีมาเพื่อทำลายพระพุทธองค์ก็ดีหลายครั้งทีเดียวนะก็ไม่สำเร็จนะหรือว่าให้ในอนะคนที่สำคัญเดียว่าบในขมังธนูเนี่ยเข้ามาฆ่าพระพุทธเจ้ามากลงพระชนชีพของพระพุทธเจ้าก็ พระเทวทัตต้นเองเป็นต้นเหตุต่างๆเนี่ยก็ไม่สําเร็จในที่สุดก็ได้ทุนของวัตถุห้าประการนี้นะเพื่อจะให้พระองค์ยอมรับแต่พระองค์ก็ไม่ยอมรับนั่นก็เป็นเหตุให้พระเทวทัศ์เนี่ยได้ตัวเหตุนั้นแหละแยกพวกแยกคณะออกไปตั้งคณะใหม่เป็นคณะพระเทวทัตขึ้นมาแต่วัตถุห้าประการที่พระเทวทัศน์ได้เสนอนั้นก็คือหนึ่งทิ่สุเอ่อถืออยู่ป่ า, าจงถืออยู่ตลอดชีวิต เข้าบ้านมีโทษสองพิสูจถือรับอินทบาทจงถือให้ตลอดชีวิตรับนิมนต์นั้นมีโทษสามพิสูจน์ถือผ้าบางสกุลก็จงถือให้ตลอดชีวิตรับกระบดีจีวรมีโทษสี่พิสูจนถืออยู่โคนไม้จงถือให้ตลอดชีวิตเข้าที่มือมีโทษห้าพิสูจจงอย่าฉันเนื้อฉันปลาตลอดชีวิตฉันมีโทษ อันนี้ก็เป็นวัตถุห้าประการทีออ่พระเทวทัตได้ออทูลขอให้พระองค์ทรงอนุญาตแต่ว่าพระองค์ทรงพิจนารณาดูแล้วที่พระเทวทัตได้มาขอนั้นไม่ให้จิตใจที่บริสุทธิ์อะไรเป็นสิ่งที่พระเทวทัตนั่นเกิดความเครียดแค้นอากาตในการที่จะแยกตัวออกจากพระพุทธเจ้าเพราะว่ากบจัดพระพุทธเจ้าหลายครั้งไม่ได้ เมื่อพระองค์ไม่ทรงรับก็จะถือเอาเหตุนี้ไปตั้งก๊กตั้งคณะขึ้นมาใหม่แล้วพระองค์ทัานรู้แล้วฉะนั้นพระองค์ก็จึงไม่ได้อนุญาตว่ า, าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ใครจะปฏิบัติก็ได้ใครจะไม่ปฏิบัติก็ไม่เป็นไรเช่นในเรื่องของการบริโภคเนื้อสัตว์ต่างๆนี่ถ้าเป็นเนื้อบริสุทธิ์ไม่เห็นไม่ได้ยินหรือว่าไม่รังเกียจโดยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นนั่นเป็นเนื้อบริสุทธิ์ที่สุขฉันได้อก็ ได้แสดงไว้ในที่นี้เหมือนกั น, นที่ปฏิวัติธรรมไม่ให้ฉันเนื้อฉันปลาตลอดชีวิตแต่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงตราสเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเนื้อบริสุทธิ์นะสามอย่างคืออ่าไม่เห็นเองไม่ได้ยินคือไม่มีใครมาบอกและก็ไม่สังเกตยจโดยอาการว่าเนื้อนั้นเจาะจงพิสูจอย่างไรถ้าหากว่าบริสุทธิ์หลังนี้แล้วก็พิสูจน์ว่าฉันได้ไม่มีโทษอะไร แต่พระเทวทัตนั้นท่านถือเอาเหตุการณ์นี้แหละเพื่อจะแยกคณะแยกพวกไปก็เป็นเรื่องของพระเทวทัตนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลอ่เรื่องที่สองก็คืออ่าครั้งพุทธกาลเหมอือนกันทรงวัดโคสิตารามเมืองโกสัมพีแต่การเป็นสองพวกในระหว่างนั้นต่างก็แยกพวกธรรมโหสังฆ ก, กรรมภายหลังก็ปรองดองสามัคคีกันได้ อันนี้ในกลางแล้วว่าในโกตัมพิกาคันตะกาเนี่ยพิสษุนสองพวกคือพิสูจน์ที่เป็นฝ่ายพระธรรมทอนและก็พระวินัยทรเนี่ยได้เกิดการแตกแยกกันเพราะเรื่องทะเลาะกันนิดหน่อยเกี่ยวกับอบัติดหน่อยที่เกี่ยวกับห้องน้ํานั่นเองนะก็เกิดแตกแยกแตกสา ม, มัคคีกันเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาแต่ว่าภายหลังสมเด็จรู้สึกตัวดีก็ไปปรับปรุงทําความเข้าใจกันในสำนักของพระศาสดาแต่ก็สา ม, มัคคีกันได้เป็นเหตุให้พระสัทดาได้ทรง อนุญาตให้มีการทำสามครีโบสดขึ้นมานี่คือครั้งที่สองทีนีเ้เรื่องใหญ่อีกครั้งเอเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นอีกเกี่ยวกับการแตกแยกกันก็คื อ, อครั้งที่สามเป็นเรื่องใหญ่หลังแต่พระพุทธเจ้าเผยนิพพานแล้วอันนี้สองวัดอโศการามกรุงเมืองปัตานิบุตรเกิดไม่ปรองดองกันขึ้นต่างพวกก็ไม่ทำโบสดร่วมกัน ในที่สุดก็พระเจ้าโศกมาราชได้ทรงกำจัดพวกอื่นได้หมดคงไว้แต่พวกร่วมมติกับพระโมคคิรบุตรนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพานแล้วก็เรื่องนี้ก็ได้เกิดขึ้นทําให้ไม่ทำโมโสทร่วมกันถึงสิบสองปีนี่คันไม่ใช่ธรรมดาเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเหมือนกันอาศัยอานาจทางอาณาจักร เข้าช่วยในการกำจัดนะพิสดีแตกกันขึ้นมาชั้นนี้ามาพูดถึงครั้งที่สี่ครั้งที่สี่นั้นก็ครั้งพระพุทธศาสนาตั้งขึ้นที่เกาะลังกาแล้วในรัชกาลแห่งพระเจ้าวัตคาเมนีอภัยแลนั้นก็เท่าเธอก็เสียพระนครให้แก่พวกธมินสเสด็จเที่ยวซุ่มซ่อนอ่อสร้างสมริพนธ์จนมีกำลังขึ้นแล้วก็ยกมาตีเอาพระนครคืนมาได้ ในเวลาที่สเสด็จเที่ยวซุ่มซ่อนอยู่นั้นก็พระองค์ได้รับอุปการะจากพระเถระชื่อติสสะเถระรูปหนึ่งนะก็ได้สร้างอภัยอภัยคีดีวิหารขึ้นนิมนต์พระติสสะเถระรูปนั้นมาอยู่พวกอํามาตะผู้เป็นนายทัพก็สร้างวัดขึ้นอีกก็มานิมนต์พระติสสะมาอยู่คือนิมนต์พวกของพระติสสะมาอยู่ต่างก็บํารุงให้ อารมณ์สมบูรณ์ฟุ่มเด้วยปัจจัยลาภต่างๆอาพวกพิสุคณะมหาวิหารก็ตั้งรังเกียร์พวกพิสุขคณะอภัยคิดีวิหารว่าเป็นกุลุทูตสกะก็หมายถึงว่าเป็นผู้ประตูศาสนาสกูลในที่สุดก็เกิดแตกกันไม่ร่วมการเข้าได้ตลอดถึงสงในลังกานั้นเกิดวิบัติขึ้นมาแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นนะในลังกาในประเทศลังกานะเป็นเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ในที่สุดก็เมื่อวัดที่พระราชาได้สร้างขึ้นก็อุปถรัรมภ์ค้าชูด้วยปัจจัยสีดีเหลือเกินเป็นที่อุดมสมบูรณ์จนเหลือเฟือฝ่ายที่พวกอามาตย์ได้สร้างขึ้นก็อุดมสมบูรณ์พอสมควรแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็เกิดขัดกันขึ้นมาอในเรื่องของการรบราฆ้าวันกันกับพวกธมินกับพวกสิงห์หนนั้นก็เกิดมีขึ้นมาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่สมัยโน้นแหละ ปัจจุบันก็ยังเกิดรูปราฆ่าฟันกันอยู่พวกพมินซึ่งเป็นชนส่วนน้อยที่มีในลังกาก็อสร้างปัญหาขึ้นมาให้แก่รัฐบาลประเทศลังกาจนถึงปัจจุบันนี้นะก็สืบเรื่องมานานแล้ว่ะแล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องที่ทําให้เกิดการแตกแยกกันที่ปรากฏเป็นเรื่องใหญ่ๆขึ้นม า, อาสองแตกกันแล้วก็เกิดต่างเป็นนิกายใหญ่ๆอยู่สองนิกายนะเมื่อก่อนนั้นก็มีอุตรนิกาย หมายถึงนิกายมหายานและก็พักษรินิกายคือนิกายหินยานเนี่ยนะก็แตกกันแล้วก็มีแตกกันอีกเป็นนิกายอีกหลายๆนิกายขึ้นมาซึ่งจะไม่นํามาพูดในทีนนะ่นี้นะนั่นก็การที่แตกกันเป็นนิกายต่างๆนั้นก็มาจากการที่มีความประพฤติย่อหย่อนไม่สม่ําเสมอกันและก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องของพระธรรมปีในนั่นเองก็จึงเป็นการแตกแยกกันหลายครั้งหลายหนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทีนี้ฐานแห่งนานาสังวาสเป็นอย่างไรคือแตกกันก็แตกเป็นนานานิกายและนานาสังวาสนี้ฐานแห่งนานาสังวาสนั้นอย่างไรนานาสังวาสนั้นฐานแห่งนานาสังวาสนั้นมีสองอย่างคือหนึ่งทำตนให้เป็นนานาสังวาสเองเช่นอยู่ในนิกายหนึ่งไปเข้าอยู่ในนิกายอื่นหรือแตกเพราะวิวาทกันคือเกิดวิวาททางทิกรสองสงพร้อมเรียนกันยกออกเสียจากสังวาสคือถูกสงลง อเคมเนียกรรมนี่ห้ามเข้าในสังวาิไม่ทำโมสดไม่ทําสังกรรมร่วมกับสงฆ์อันนี้คือเป็นฐานแห่งนานาสังวาิเรียกว่าทําตนให้เป็นนานาสังวาิเองแอยู่ในนิกายหนึ่งเอาไม่ชอบเมื่อไม่ชอบก็ไปเข้าอีกนิกายหนึ่งอก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยเลยเช่นในเมืองไทยเราก็มีอยู่นิกายสองนิกายคือนิกายทำมุยศกับมหานิกายเนี่ยมันตีก็ไม่พอใจนิกายนี้ก็เข้าไปเข้านิกายนนทนไปพอใจนิกายนนทนก็มาเข้านิกายนี้ เนี่ยอันนี้ก็มีเรื่องว่าทำตนให้เป็นนานา น, านิกายเองไม่มีใครเขาทำให้แต่ว่าเกิดความไม่พอใจแล้วก็ไปเข้านิขายอื่นๆอีกเป็นนานา น, านิกายเนี่ยอันนี้ว่าอีกประการหนึ่งก็คือว่าที่สูนั้นมีความประพฤติไม่ดีไม่งามอ่าเช่ตอนต้องบัตรไม่ยอมรับต้องอบัตรยอมรับแต่ไม่ยอมแสดงหรือว่ามีทิฏฐิลามอกอะไรต่างเนี่ยก็ ลงอกให้สองลงเขมีกรรมยกเสียจากผักจากหมู่ไม่ร่วมบุญสวดร่วสังฆกรรมมันก็เป็นนานาสังวาสแล้วคือร่วมสังว่ากับเขาไม่ได้นี่คือฐาน่ฐานแห่งนาณ า, าสังวา่าสเอาละครับวันนี้เราก็ได้ศึกษากันมาพอสมควรแต่เวลาพวกเราก็ได้สิ้นสุดยุติลงแล้ววันนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีจงมาเกิดมีแด่เพื่อนสาธรรมิกทุกๆท่านทุกทุ ก, ท ก, ทท ก, ทกรูปเทอน